ในประเร่องของมันทุกาเทวบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งสะกโบครณีชื่ออัครานครจำปาเวลาใกล้รุง่งพระองค์ทรงเข้ามหากรณาสมาบัติ อันเป็นพุท ธ, ธานิจวัตทรงออกจากสมาบัตินั้นแล้วทรงตรวจดูเหล่าสัตว์พวกที่เป็นเวนยะซึ่งพอจะแนะนำได้พระองค์ทรงเห็นว่าเวลาเย็นวันนี้เมื่อเรากำลังแสดงธรรมกบตัวหนึ่งถือนิมิตในเสียงของเราจะตายด้วยความพยายามของผู้อื่นแล้วบังเกิดในเทวโลก มาให้มหาชนเห็นพร้อมด้วยเทพรบริวาร อ, อันมากคนเป็นจานวนมากจะได้ตัดสรุธธรรมในที่นั้นรครัง้งทรงเห็นอย่างนี้แล้วเวลาเช้าทรงนุ่งและถือบาดจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างจำปานครพร้อมด้วยพิสุขหมูใหญ่ ส่งทำให้พิสุทั้งหลายหาบินทบาทได้ง่ายสวยภัตตกิจเสร็จแล้วเข้ายัางพระวิหารเมื่อพิสุทั้งหลายทำวัดปฏิบัติแล้วไปพักกลางวันของตนของต น, งตนก็เสด็จเข้าสู่พระคันธโกดีส่งใช้เวลาครึ่งวันให้หมดไปด้วยสุขในผลสมาบัต นั้นถึงเวลาเย็นเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่ประชุมกันพระองค์เสด็จออกจากพระคันธกกดีอันหอมตลกเสด็จเข้ามณฑปศาลาประชุมธรรมริมฝั่งสะโบกพระีนั้นด้วยพระปฏิหารซึ่งเหมาแก่ในขณะนั้นพระองค์ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาที่ทรงประดับไว้ทรงเปล่งพระโซรเสียงเพียงดังเสียงผมซึ่งประกอบด้วยองค์แปประการดังนี้ 1>, 1. สละสรวยสองไทรราะสชัดเจน 4. เสนอโสดหไม่สั่นเคลือ 6. กรลมกล่อมเจ ล, ลึกซึ้ง 8. กลางวานราวกับพยาราชสีไม่ได้หวันไหวบรรลือสีหนาตเนื้อพื้นมโนศิลาฉนั้นพระองค์ทรงเริ่มแสดงธรรมด้วยพระพุทธลีลา อันหาอุปมาไม่ได้โดยพระพุทธานุภาพอันเป็นอจินไตยก็ในขณะนั้นกบตัวหนึ่งมาแต่สะกโบกครณีจึงนอนถือนิมิตในพระสุรเสียง ด้วยธรรมสัญญาว่านี้เป็นเสียงธรรมอยู่ท่าบริษัทขณะนั้นคนเลี้ยงลูกโคคนหนึ่งมาอย่างที่นั้นเห็นพระศ า, าสดากําลังทร ง, สงแสดงธรรมและบริษัทกําลังฟังธรรมด้วยความสงบเงียบจึงได้สงใจเป็นเรื่องนั้นยืนถือไม้ต้อนโคอยู่ไม่ทันเห็นกบจึงได้ยืนปัก้า้บนหัวกบเข้ากบ ซึ่งมีจิตเลื่อมใสด้วยธรรมสัญญาทมกาละตายในขณะนั้นเองเมื่อกบสิ้นชีวิตแต่แล้วจึงได้ไปบังเกิดในวิมานทอง12บสองโยธมีสวรรค์ชั้นดาวดิ่งเป็นเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น เห็นตนถูกมูอักษรเทพแวดล้อมนึกดูว่าเรามาแต่ไหนจึงได้มาบังเกิดในที่นี้จึงได้เห็นว่าเมื่อชาติก่อนเราได้เกิดในที่นี้และได้รับสมบัติชิ้นนี้เราทำกรรมอะไรมาหนอไม่เห็นกรรมอื่นนอกจากถือนิริตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าเทบประุตนั้นมาพร้อมด้วยวิมานในขณะนั้นเอง ลงจากวิมานทั้งที่มหาชนเห็นอยู่นั่นแหลเข้าไปถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวแล้วยืนประคองอันชลีมรัชการอยู่ด้วยอนุภาพพิบอันยิ่งใหญ่ด้วยบริวารหมู่ใหญ่ก็ในลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องเทพระบุตรนั้นเพื่อจะทรงทําผลแห่งกรรมและพุท ธ, ธานุภาพให้ประจักษ์แก่มหาชนจึงทรงกับถามว่าใครรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ด้วยยศมีวันน่างามทําทิศทุกทิศให้สว่างสวัยกําลังไหว้เท้าของเราหนอะรังนั้นเทพระบุตร เมื่อกระทำให้แจ้งซึ่งชาติกนของตนจึงได้กราถทูลว่าเมื่อชาติก่อนข้าพระองค์เป็นกบอยู่ในน้ำหรีน้ำเป็นถิ่นที่หากินกำลังฟังธรรมของพระองค์อยู่คนเลี้ยงโคก็ค่าเสียขอพระองค์โปรตูลิศและยศ ด, ดูอนุภาพวันลนะและความรุ่งเรืองของความเลื่อมใส แห่งจิตเพียงครู่เดียวของข้าพระองค์ข้าแต่ท่านพระโคโดมชนเหล่าใดได้ฟังธรรมของพระองค์ตลอดการยาวนานนี้ชนเหล่านั้นก็ถึงฐานะที่ไม่หวั่นไหวซึ่งคนทั่วไปถึงแล้วไม่เศร้าโศกเลย ก็ในลำดับนั้นพระผู้มีพร ะ, พระภาคเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของเทพประบุตรนั้นและของบริษัทที่ประชุมกันอยู่และทรงแสดงธรรมโดยพิสดารเมื่อจบเทศนาเทพประบุตรนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลสตแปดหมื0สี่พันได้ตรัสรู้ธรรมเทพประบุตรนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทะักษิณ ทำอัญเชีญแดดพิสุสงและพร้อมด้วยหมู่บริวารจึงลากลับสู่เทวโลก เป็นของของตนกรรมที่บุคคลทำไว้ดีหรือชั่วก็าตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นสื่อธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนอเรื่องกฎแห่งกรรม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 เ, เรื่องของชาติกเทศประบุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนพะระวิหารเทตวันลุงสาวัตถีสมัยนั้นมีมานบพรามชื่อชาตกเป็นบุตรที่ได้มาโดยยากของพรามคนหนึ่งใน เสยตพ ย, ยนครมานพบนั้นเจริญไหวแล้วบิดาก็ส่งไปที่ปุ ก, กัตถานาคนครแล่เรมนและถามวิชาทั้งหลายในสำนักของพรามชื่อโกรครสาติในไม่นานนักก็ไดส้สำเร็จ ก, การศึกษาศิล ป, ปะพรามเพราะเป็นคนมีปัญญาและไม่เกียจครา้าน วันหนึ่งเขากล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับกระผมศึกษาศิลปะในสำนักของท่านอาจารย์แล้วกระผมจะให้ทักษินาค่าบูชาครูแก่ท่านอาจารย์ได้อย่างไรเออสิทธ์ลับก็รธรรมดาทักษินาค่าบูชาครูนั้นก็ต้องเหมาะแก่ทรัพสมบัติแห่งอันตวาสิกเขดเธอจงนำกระหับะนะมันหนึ่งพันก็แล้วกัน มานพกราบอาจารย์แล้วกลับไปสู่เซตับพญานครไหวบาา้บิดามารดาบิดามารดาก็ชื่นชมยินดีกระทำปฏิสันถฐานต้อนรับเขาบอกความนั้นแก่บิดาว่าเด อ, อ๋ยุณพ่อครับโปรดให้ของที่ควรให้แก่อาจารย์ฉันเธอฉันจะให้เป็นข่าบูชาครูในวันนี้ ออูกรักวันนีก็คำแล้วเออพรุ่ง น, นี้ค่อยไปให้แต่อาจารย์ก็แล้วกันเออเดี๋ยวพ่อจะนำเงินกระหาปะหัะจนี้เตรียมไว้ให้ก็แล้วกันนะและแล้วบิดามารดาของเขา ก็ได้เตรียมเงินกระหาปนักทั้งหลายออบมาผูกเป็นหอ่อแล้ววางไว้ในที่สุดก็มีพวกโจรจะรู้เรื่องนั้นแอบยู่ในป่าชัดแห่งหนึ่งในทางที่ชัดตะมานพจะไปด้วยคิดว่า <c oughs> เราจะข่ามานพแล้วก็ชิงเอากระหาปนักนั้นไปสีย ครั้งถึงเวลากใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูโลกอยู่ทรงเห็นว่าชัติมนุษย์จะดำรงอยู่ในสรนาระและศีลเขาจะถูกพวกโจรฆ่าตายและไปเกิดในเทวโลกมาจากเทวโลกกับวิมานและประสับที่ประชุมกันในที่นี้ก็จะตรัสรูธ้ธรรมด้วย จันี้แล้วพระองค์จึงเสด็จไปก่อนประทับณนะโคนต้นไม้แห่งหนึ่งในทางเดินของมานพบมานพบถือเอาทรัพย์ค่าบูชาอาจารย์ไปจากเสตัพยานครมุ่งหน้าไปพุปธกานครเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ในระหว่างทางจึงเข้าไปเฝ้า ยืนอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามานพเธอจะไปไหนข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์จะไปอุทกาลนครเพื่อให้ทัศณาข้าบูชาครูแก่โคพระสาติพรามซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์มานพเธอได้รู้สาระสามและสีลห้า หรืออย่างไรเล่าเอ่อข้าพระองค์ไม่รู้ว่าสาระนสามและศีลห้านั้นเป็นอย่างไรลำดับนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศพลานิสงและการถึงสระและกาสมาธาศีลห้าและพระุรองค์ได้ทรงตรัสต่อไปว่ามานกเธอจงเรียนวิธีถึงสระนาก่อน สาธุข้าพระองค์จะเรียนขอาพระองค์โปรดตรัสบอกเถิดพระเจ้าข้าบรรดาผู้กล่าวสอนอยู่คือาศาสดาผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐในมนุษย์เป็นสากยมุนีเป็นพัก ว, วาผู้ทำกิจเสร็จแล้วถึงฝั่งแล้วตั้งพร้อมด้วยพละและริยะ เธอจงเข้าถึงผู้นั้นผู้เป็นสุคตเป็นสรณะเธอจงเข้าถึงพระธรรมที่สำรอบราคะไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเป็นอสังคตะธรรมไม่ปฏิกูลไพร่ซื่อตรงจำแนกไว้ดีนี้เป็นสรณะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทานที่ถวายในท่านเหล่าใดว่ามีผลมากท่านเหล่านั้นคือ อริยะบุคคลสี่ผู้เป็นบุคคลแตกเป็นผู้แสดงธรรมเธอจงเข้าถึงประสงนี้เป็นสราณะเธอ ูมีพระภาคเจ้าจัสวิธีถึงสรณะพร้อมด้วยทรงชี้คุณของสรณะด้วยคาถาดังนี้แล้วมานพเมื่อจะประกาศวิธีถึงสรณะตั้งอยู่ในหัทัทยของตนโดยมุก ค, คือระลึกถึงคุณของสรณะนั้นๆจึงน้อมรับคาถาต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศสิกขาบทห้าทั้งโดยปฐถมทั้งโดยพระนิสง โดยได้ตรับวิธีสมาทานสิกขาบทเหล่านั้นแก่มานพผู้น้อมรับอย่างนี้แล้วมานพเมื่อได้ทบทวนแล้วถึงวิธีสมาธานั้นด้วยดีมีจิตใจเลื่อมใสกราบทูนว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะไปแล้วละ่ะ แล้วเขาก็ได้เริอถึงคุณพระรัตรไใจเดินไปตามทางนั้นเองแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพระพุทธรรมบริว่ากุศลเพียงเท่านี้ของมานนบนี้ก็พอจะยังให้เขาเกิดในเทวโลกได้และพระศาสดาก็เสด็จกลับไปยังวิหารเชตะวันอย่างเดิม เมื่อมานพมีจิตเลื่อมใสตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายด้วยความเป็นผู้มีจิตตุปาตเป็นไปว่าข้าพระเจ้าเข้าถึงสารณะแล้วดังนี้โดยกําหนดคุณพระพระนตรัยและตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายโดยอธิษฐานศีลห้าตามในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นั้นแล พุทธังสระนังคาชามิธรรมังสร a นังคาชามิสังฆังสระังคาชามิทุติยัมติพุทธังสระังคาชามิทุติยัมติธรรมังสระนังคาชามิ ก็ในลำดับน้ําเองมานพกําลังเดิระลึกถึงคุณพระรัตนไตรตามในนั้นแหลพวกโจรก็ได้กลูเข้ามาที่หนทางมานพไม่ได้ใส่ใจพวกโจรเหล่านั้นเดิระลึกถึงคุณพระรัตนไตรอย่างเดียวโจรคนหนึ่งได้ซ่อนตัวอยู่ในระหว่างพุ่มไม้ เอาลูกธนูอาบยาพิษแทงเขาอย่างฉับพลันทำให้เขาสิ้นชีวิตทันทีพวกโจรจะยึดห่อเงินกระหาบปนานะนั้นแล้วหลีกหนีไปฝ่ายมานพทากาละแล้วตายไปบังเกิดในวิมานทองส0โยตในสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมีนางเท พ, พ, พอักษร1น0 0แวดล้อมมีอัตภาพประดับด้วยเครื่องประดับมีภาระหกสิบเล่มเกวียนรัศมีของวิมานนั้นแผ่ไปยี่สิบโยชน์ทั้งนั้นพวกมนุษย์ชาวเสดับพยานคร เห็นมานพทำกาละแล้วจึงไปเสดับพยนครบอแกบิดามารดาของมานพนั้นพวกชาวบ้านอุกัทะก็ไปอุกัทานครบอแก่โกพระสาติพรามบิดามารดาของมานพนั้นพวกญาติและมิตรและอาจารย์พร้อมด้วยบริวารต่างก็มีน้ําตาไหลอาบหน้าร้องไห้ไปประเทศนั้นส่วนมาก ชาวเสตพยะชาวอุกถะและชาวอิชานังคระก็ได้ไปประชุมกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระดำริว่าเมื่อเราไปชัามานพเทบบุตรก็จะมาพบเรา เราจะให้เขาผู้มาแล้วกล่าวถึงกรรมที่ได้ทำไว้ให้ทำผลแห่งกรรมประจักษ์ขึ้นและเราจะแสดงธรรมมหาชนจะตรัสรูธ้ธรรมด้วย อ, อาการอย่างนี้จากน้งพระองค์พร้อมด้วยพิสุมูใหญ่เสด็จเข้าไปยังประเทศนั้นประทับนั่งและเปล่งพระพุทธรังสี มี6ประการณโคนต้นไม้แห่งหนึ่งรังนั้นแม้ฉัตถามานพแทพบุตรตรวจดูสมบัติของตนทบทวนเหตุแห่งสมบัตินั้นเห็นการถึงสรณะและกาสมาทานศีลเกิดความประหลาดใจเกิดความลื่มใสมากในพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดว่าเราจะไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าที่สุสงในบัดนี้แหล และจะกระทาคุณพระอรัตไตรให้ปรากฏแ ก, แก่มาหาชนทั้งหลายแทบบุตรอาศัยความเป็นผู้มีความกตัญญูกระทําตระเทศแห่งป่านั้นทั้งหมดให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวแล้วมาพร้อมกับวิมานลงจากวิมานปรากฏองค์ให้เห็นพร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่เข้าไปหมอบถวายบังคม ด้วยเสียงเกล้าแทบระยะคนบาทของพระศาสดายืนประคองอัญชลีอยู่มหาชนเห็นดังนี้แล้วมีความประหลาดอัศจรรย์ว่านี่ใครหนอเทวดาหรือพรมกันแน่และพากันแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะกระทําบุญกรรมที่แท้บุะบุนั้นจะทําให้ปรากฏจึงได้ตรายถามแท้บุตรนั้นว่าพระอาทิตย์ในท้องฟ้าก็ไม่สว่างพระจันทร์ก็ไม่สว่างดาวฤกษ์พุทธกาก็ไม่สว่างเมือนมีมานี้มีรัศมีสว่าง่ากไม่มีที่เปรียบท่านเป็นใครจากดาวดึงมาสู่แผ่นดิน พระสมีมีเกินยี่สิบโยน์ัดรังสีพระอาทิตย์และทำกลางคืนให้เหมือนกลางวันวิมานของท่านงามบริสุทธิ์ผุดพองมีดอกประทุมมากมีดอกบัวตรกงามเรื่นราดไปด้วยดอกไม้ทั้งหลายไม่น้อยเลยคุ้มขายด้วยทองที่ตาสะจากธุลีสว่างอยู่ในอากาศเหมือนดวงอาทิตย์วิมานของท่าน บริบูร์ด้วยเหล่าเทพอักษรผู้ทรงผ้าแดงและผ้าเหลืองพร้อมตรบด้วยปริศนาประยงและจันทร์มีองค์และผิวพันธ์เป่งกลางดังทองเหมือนทองฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวทั้งหลายโภยเทพบุตรและเทิดาในวิมานนี้มีมากหลากหลายวันนะมีอาพอรประดับด้วยดอกไม้มีใจดีมีกรองทอง นุ่งผมด้วยอาพอรที่เป็นทองโดยกลิ่นหอมลอไปตามลมนี้เป็นวิบากแห่งการสำรวมอะไรท่านจึงได้เกิดในวิมานนี้ด้วยผลกรรมอะไรจะท่านได้วิมานนี้โดยวิธีใดท่านถูกเราถามแล้วเชิญบอกตาสมควรแก่วิธีนั้นด้วยเถิด ลำดับนั้นเทพบุตระได้ปะยากรด้วยคาถาดังนี้ว่าพระาศาสดาเสด็จมาพบมานพในทางนี้ด้วยพระองค์เอ ง, อ ง, เ, องเมื่อทรงอนุเคราะห์ได้ตรัสสอนแล้วสัฏฐามาน์ฟังธรรมของพระองค์ผู้เป็นรัตนะอันประเสริฐได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะกระทำตามพระองค์ตรัสสอนว่า เธอจงเข้าถึงพระชินวรผู้ประเสริฐคําพระธรรมและพิสุสง์เป็นสาระณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าแม่รู้แต่ภายหลังได้กระทาประดมาระปรับของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าจงอยา่าฆ่าสัตว์อย่าประพฤติกรรมไม่สะอาดต่างๆผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่สังเสริญความไม่สำมรมในสัตว์ทั้งหลายเลยข้าแดบพระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทาตามที่ดารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าเป็นผู้มีความสาคัญของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้ที่ชนอื่นรักษาไว้แม้ว่าเป็นของควรถือเอาไว้ข้าแดบพระองค์ผู้เจริญ ทีแรก ข, ข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระธรรมปรัดของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสอีกว่าอย่าได้ล่วงเกินภรรยาของคนอื่นที่คนอื่นรักษานั้นเป็นสิ่งไม่ประเสริฐข้าแดพระองค์ผู้เจริญทีแรก ข, ข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทาตามพระธรรมปรัของพระองค์อย่างนั้นทีเดียว พระองค์ตรัสสอนอีกว่าอย่าได้กล่าวเรื่องจริงเป็นเท็จผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สนเสริมมุสาวาสเลยข้าแดดพระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพผ้าดำประดิของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนต่อไปว่าจงงดเว้นน้ําเมา ซึ่งเป็นเครื่องให้คนปราศจากสัญญานั้นทั้งหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทำตามพ้าดัาปัดของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวข้าพระองค์นั้นถือสิคขาบทหในศาสนานี้ปฏิบัติในธรรมของพระคาถาโทษได้ไปยังทางสองแพ่งท่านกลางพวกโจร พวกโจนเหล่านั้นได้ฆ่าพระองค์ที่กลางทางนั้นเพราะโผละอันเป็นเหตุฆ้าพระองค์เราถึงบุญกุศลเพียงเท่านี้กุศลอื่นนอกจากนั้นของข้าพระองค์ไม่มีเลยด้วยกรรมอันสุขดขลิตนั้นข้าพระองค์จึงเกิดในหมู่เทวดาชาวไตรทิพครัางพร้อมด้วยสิ่งน่าปรารถนาขอพระองค์โปรดูวิบากแห่งการสมรมํารวมชั่วครู่หนึ่งด้วยการปฏิบัติทำตามสมควร ซึ่งเหมือรุองเรองด้วยยศคนเป็นอันมากผู้มีกรรมต่ำซามเพ่งดูข้าพระองค์คนกรยิ่มโปรดดูเถิดข้าพระองค์ถึงสุคติและถึงความสุขด้วยเทศนาเพียงเล็กน้อยก็เหล่าสัตว์ผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์ติดต่อกันเหล่านั้นเห็นทีจะสัมผัสพระนิพพานอันเป็นแดนเสริญเป็นแน่กรรมที่ทาแม้เล็กน้อย ก็มีวิบากใหญ่ไพบณ์เพราะทำของพระคาถาคตแ ท, แท้โปรดดูเถิดเพราะเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ชัตตะนานบจึงเปล่งรัศมีสว่างตลอดแผ่นปัจจีเหมือ น, นดังดวงอาทิตย์คนพวกหนึ่งประชมปรึกษากันว่ากุศล น, นี้เป็นอย่างไรพวกเราจะประพฤติกุศลอะไรพวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แล้วจึงปฏิบัติมนุษยธรรม มีศีลกันอยู่อีกทีเดียวพระาศาสดาทรงมีอุปการะมากทรงอนุเคราะห์อย่างนี้เมื่อข้าพระองค์ถูกโจนฆ่าชิงทรัพย์ยังตรังวันแสบๆอยู่เลยข้าพระองค์นั้นเป็นผู้เข้าถึงพระผุมีตรภาคเป็นเป็นสัจกรขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์เถิดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังคำอีกชนเหล่าใดในาศาสนานี้ละการปราคะอนุสัยคือ พราะราคะและโมหะละได้ขาดแล้วชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันอีคือเกิดอีเพราะถึงปรินิพพานกับทุกเย็นสนิทแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงแสดงอนุบุพิกขาและทรงแสดงอริยสัจ จบแทสนาแทพบุตรและบิดามารดาเขาตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลมหาชนทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรม เสนอเรื่องของเศรษฐีเ ท, ท้าแมวสมัยหนึ่งชาวเมืองสาวกถีชวนกันถวายทานแด่พี่สุสงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อสวยแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาความว่า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 ไม่ให้ทานด้วยตนไม่ชักชวนผู้อื่นอีส่วนเช่นนั้นย่อมไม่ได้ทั้งโพค้าสมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนให้ทานด้วยตนแล้วชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมได้ทั้งโพค้าสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้ว ก็ในครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วจึงได้คิดว่าเรื่องนี้น่าอาัศจรรย์แท้เราควรทำกรรมอันจะนำอํนนวยสมบัติทั้งสองคือโภค่าสมบัติและบริวารสมบัติคิดดังนี้แล้วจึงได้กระบภูมิพระสาสดาขออาราธนาพิสุท์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ให้รับพัะตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระกาถาคตเจ้าส่งรับแล้วเขาได้เข้าไปในหมู่บ้านและประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าตนได้มีมนพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้เสวยพระตาหารในวันรุ่งนี้ท่านผู้ใด ศรัทธาถวายเท่าใดและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นขอขอให้บริจาคตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาพวกเราจะรูปรวมของเหล่านั้นเข้าด้วยกันหุ่มต้มในที่เดียวกันและถวายทาน ในที่นั้นเองมีเศรษฐีคนหนึ่งได้เห็นอัณดิตมาถึงหน้าร้านของตนก็ไม่ชอบใจจึงคิดอยู่ในใจว่าโอ้เจกคนนี้ไหว้บิณฑบาะให้สมควรแก่กำลังของตนก็ต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกอคิดอังนี้แล้วจึงให้ของไปอย่างขัดไม่ได้ให้อย่างลิบอย่างละหน่อย คือเมื่อจะให้ข้าวสารก็ เ, เอานิ้วสามนิ้วยิบให้หน่อยหนึ่งเมื่อจะให้ทัวก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันตั้งชื่อว่าพี่ลาปตะกับมีเท้าเหมือนแมวคือเบามากเมื่อจะให้เพศัตมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงขวดให้ติดปากหม้อให้หยดลงเพียงสองสามหยดเท่านั้น อุบาศกรวบรวมวัถตถุต่างๆที่คนอื่นเขาให้ไว้ที่แห่งเดียวกันคือได้รวบรวมเอาไว้แต่ได้แยกของที่เศรษฐีให้ไว้ต่างหากส่วนหนึ่งเศรษฐีเห็นอาการบุรุษนั้นแล้วจึงได้คิดว่าโอ้ทำไม จนคนนี้จิงได้ยเย็บของของเราเอาไว้แผนเพื่อตังหาเราเออเราอยากให้คนไปตามดูว่าเขาจะเอาของของเรานั้นไปทำอย่างไรกุหลตผู้เป็นบรรัณฑิตนั้นเอาของเศรษฐี ผสมลงไปในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จึงมีแก่เศรษฐีด้วยเถิดผลชัยได้เห็นอาการนั้นแล้วจึงนาไปบอกแก่เศรษฐี ในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีได้เหน็ปติดติดไปด้วยแล้วตั้งใจไว้ว่าถ้าชายคนนี้กล่าวโทษอะไรๆแก่ตนตนก็จะฆ่าปุดทั้งเสียเขาไปยืนอยู่ในโรงตัวเมื่อถึงเวลาถวายอาหารพระสงฆ์ปุษผู้เป็นบัณฑิตได้ประกาศขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เที่ยวชักชวนมหาชนให้ถวายทานนี้ ขอให้คนทั้งหลายผู้ที่ข้าพระองค์ชักชวนแล้วบริจาคแล้วทั้งผู้บริจาคของมากทั้งผู้บริจาคของน้อยจงได้รับส่วนผลทุกท่านด้วยเพิดท่านเศรษฐีได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจกลัว อ, อุบาสศจะประกาศว่าท่านให้ของเลียงหยิบมือเดียว จึงคิดว่าพอข่าวอุบาสกเปิดชื่อของเราไมเราจะแพ้ให้ตายเลยตั้งในขนาดนั้นเองอุบาศกหนุ่มน้อยกลับกลาบทูลว่าแม้ผู้บริจาคของเพียงหยิบมือเดียวขอให้ทานผู้นั้นจนงมีผลมากด้เถิดท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้สติคิดเสยในใจว่า เราใจคิดร้ายร่วมเกินต่ออุบาสพคนนี้มาตอลอดเวลาเลยเพราะจอุบาสกนี้เป็นคนดีเลือเกินถ้าเราไม่ขอโทษเขาเราก็าเห็นจะได้รับกรรมอนยญาตแน่นเลยเศถษฐีเม่ได้คิดแนั้นแล้ว จึงได้เข้าไปหมอบแทบเท้าของอุบาสกนั้นแล้วเล่าเรื่องให้ฟังพร้อมทั้งขอให้ยกโทษให้พรบะบุตธองค์ทรงทอบ ป, ประเนตรเห็นกิริยาอาการของเศรษฐีอย่างนั้นก็ได้ตรัสถามขึ้นเมื่อได้ทรงทราบแล้ว จ, จึงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบุญแล้วใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญนี้เล็กน้อยทานที่บุคคลถวายแล้ว แกีิสูสงอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเช่นนี้ไม่ควรดูหมิน่นว่าบุญ น, นี้เล็กน้อยคนที่ฉลาดทาบุญอยู่ย่อมเต็มด้วยบุญเหมือนหม้อน้ำที่เปิดไว้ย่อมเต็มด้วยน้ำฉันนั้นในตอนท้าย พระพุทธองค์ทรงตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุนเล็กน้อยว่าจะไม่มาถึงแม้ม่น้ำก็ยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาชั้นใดผู้ฉลาดเมื่อสะสมบุญแม้ทีนน้อยทีนน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้น ท่านเศรษฐีได้ฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือเป็นพระโสดาบันบุคคลพระธรรมเทศนาของพระปุมีพระพักเจ้านั้นประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้ถ้าเรามันฟังอยู่เสมอและฟังด้วยความตั้งใจก็ย่อมได้ปัญญาดัางเศรษฐีท่านนี้เป็นตัวอย่าง ดมินบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สั่งสมบ่งบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคง บุญย่อมส่งสุดสถานวิมาณทอง เทียนทิโกสนแห่งสาวัตถีนครครั้งนั้นมีคนก่อเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในชนบทพระเจ้าประเสียนทิโกสลส่งสันติมหาอมาตต์ไปปราบเขาปราบได้สําเร็จเพรียรร้อยแล้วก็ได้กลับมาพระเจ้าประเสียนทิโกสลทรงพอพระทัยมากถึงกับมอบพระราชสมบัติให้ครองเจ็วันเพื่อประกาศเกียรติคุณของมหาอมาตต์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 แสดงความเคารพก็ในลำดับนั้นพระศาสดาทรงแย้งพระส่วนเล็กน้อยเมื่อพระอานนทูลถามถึงสาเหตุแห่งการแย้งส่วนนั้นพระองค์จึงกลัดว่าอานนวันนี้สันตติมหาอามาตย์ จะมาสู่สำนักของเราฝังธรรมแล้วจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และอริยพานที่พระศาสดาตรัสกับพระอนุนั้นก็มีคนหลายคนได้ยินด้วยข่าวเรื่องนี้ก็ได้กระชอนไปอย่างรวดเร็วบางคนตำหนิพระศาสดาว่า ผู้คล้อ ย, ยและกระมังประส า, าสดาของเราสันติมหาอัมมาตเมาสุราแต่งกายอย่างพระราชาอยู่อย่างนี้จะสำเร็จเป็นพระราล์ได้อย่างไรในวันนี้เอาละพวกเราจะจับผิดระสมะโขดมในวันนี้เนี่ยส่วนพวกที่เรื่มใสเชื่อมันในองค์พระพุทธองค์ก็คิดว่า โอ้รอยวันนี้พวกเราจะได้เห็นพุท ธ, ธานุภาพและลีลาของสัน ต, ติมหาอ ม, มาตเป็นแน่แท้สัน ต, ติมหาอ ม, มาตอาบน้ำตามประสงค์แล้วไปสู่กุฏยานนั่งเดินสุราที่โรงสุราอันจัดไวโดยเฉพาะพร้อมกับนั่งชมการาราบำ การข้อรําของหญิงนักฟ้อนที่ได้เลือกไว้หญิงนักฟ้อนคนหนึ่งขณะที่กำลังฟ้อนอยู่นั่นเองก็ได้เกิดล้มตายลงในทันทีเพราะโรคปัจจุบันหมดกำลังเพราะดามบริภโภคอาหารน้อยเหลือเกิน จนถึงเจ็ดวันมาแล้วเพื่อให้ร่างกายอ่อนแออ่อนช้อยอากของนางนั้นอ้าตาเหลือกสิ้นใจโดยไม่ให้โอกาสแตการช่วยเหลือเลยเมื่อสันดาห ม า, ม, มาอมาบทราบว่านางตายแล้วก็มีควา ม, วามโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งโซราที่ดื่มมาเจ็ดวันได้สิน้นฤทธิ์ลงทันทีเหมือนหยาดน้ำน้อยหยดลงในภาชนะที่ร้อนจับบนเตาไฟพันก็ระเหิดหายไปแล้วเขาก็ได้เริมเพลิงรมพันอยู่ในใจว่า คนอื่นออกจากพระาศาสดาสามมาสังพุทธเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถจะบรรเทาความโศกเราได้เลยดังนั้นเขาพร้อมกับบริวารจินรีไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในเย็นวันนั้นนั่นเอง สันติมหามาตย์ได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงได้ทูลต่อไปว่าโอ้ขอพระคตทดเจ้าได้ทรงโปรประทานพระโอวาทคือความดับความโศกของข้าพเจ้าด้วยเถิดดูก่อนสันติมหาอมาตย์ ท่านมาสู่สำนักของเราผู้สามารถดับความโศกได้แน่นอนจะได้วิตกใหญ่เลยอันที่จริงน้ำตาของท่านผู้ร้องไห้อยู่ในางสารวัตนี้ในเพราะอิงนี้ตายนั้นมีมากกว่าน้ำในหมหาสุดทั้งสี่ด้วยซ้ำไป ดังนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงเสริมพรมะธรรมเทศนาด้วยพระคาถาต่อไปว่าท่านจงตัดกดิเลสเรื่องกังวลทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียเถิดอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อเป็นดังนี้ท่านจะเป็นผู้สงบระงับไม่ม่ีคอยูาฟ เ, เ, เพียงพระคาถาเท่านี้สัน ต, ติมหาอมาตก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันติพิจารณาอายุสังขารของตนทราบว่าอายุไขสิ้นแล้วจึงทูลาพระศาสดาเพื่อปารินิพพานพระศาสดาทรงทราบอริกกรรมของมหาอมาตะและมีตระประสงค์ให้เขาประกาศบุปกรรมนั้น เพื่อประโยชน์สองอย่างคือหนึ่งเพื่อให้พวกมิจฉาทิฏฐิผู้ขึ่นขอจับผิดพระองค์ให้มองเห็นว่าพระองค์ไม่ได้พูดเท็จ 2. เพื่อให้พวกที่มีสัมมาทิฏฐิที่มาประชุมกันเพื่อชมลีลาของพระองค์และลีลาของสันติมหาอามาตได้เห็นลีลานั้นสมประสงค์จิ่งกลับกับมหาอามาตต่อไปว่า ขาแต่นั้นขอท่านจงเล่าบุปกรรมของท่านและจงเล่าในอากาศเถิดซันติหมาอมาต ถ, ถวายบังคมพระาศาสนาแล้วพอขึ้นไปในอากาศประมาณเจ็ดชั่วาำตาลแล้วทูลเล่าบุปกรรมของตนว่าข้าแด่พระภูมีพระภาคเจ้าปูเจริญในาศาสนาเห็นพระวิปัสสีสังมาสังพุธเจ้าข้าพระองค์ เกิดในพันธุมะวดีนครคิดอยู่ว่าอะไรหนอเป็นกรรมไม่สะร้อนไม่บีดคั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้โควนอยู่ก็ได้แลเห็นการเปล่าร้องให้คนทำบุญนั่นแหลเป็นกรรมไม่มีโทษจำเจิงแต่นั่นมาข้าพระองค์ให้เที่ยวประกาศให้คนเท่าหลายทำบุญให้ทานรักษาศีลก่อนทำและให้บูชาพระรัตนตรัย พระรัตน์อื่นจะเสมอด้วยพระรัะตน์ไทยนั้นวิได้มีเลยเพื่อพระราชาแห่งพันธุมะวีนครได้สาแผ้วจึงพระราชทานมารถและช้างแก่ข้าพระองค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกาศบุญกรนั้นพระราชทานโภคเป็นอันมากแกข่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทํางานอยู่ที่นั้นถึงแปดมื่นปี กลิ่นจันในพุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลพุ่งออกจากปากนี่คืออุปกรณร์ของข่าพระองค์มาฮะมัดได้คุณอุปกรรมของตอนแล้วอยู่ในอากาศนั่นเองได้เข้าเตาโชกสิน คือกสินมีไฟเป็นอารมณ์บัรดาให้เกิดเปลวไฟเกิดขึ้นไม่สรีระพระฤาษีผ่าแล้วธาตุทั้งหลายประดุกดอกมรลิร่วงลงา ม, มาพระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาออกรับทรงบรรจุธาตนั้นไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สการาบบูชาของคนทั้งหลายเพื่อผู้บูชาจะได้มีส่วนแห่งบุญนั้น ในวันนั้นนั่นเองพิสูจน์ทั้งหลายสนทนากันในสภาว่าท่านทั้งหลายสันติติม า, ามาอมัดฟังพระพุทธพจน์แล้วยังประดับประดาดเครื่องอาภรณ์อยู่ทุกอย่างนั่นเองและบรรลุเป็นพระอรตะผลปริยภาแล้วว่าหรือไม่หนอ ที่จะเรียกเขาว่าสมณะหรือพานก็ในขณะนั้นพระศ า, ศาสดาเสด็จมาถึงพอดีจึงได้ตรัสต่อไปว่าพิสุน์ทั้งหลายคนเช่นนั้นจะเรียกว่าสมณะก็ได้จะเรียกว่าพานก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบและผู้ประเสริฐบุคคลแม้จะยังประดับประดาร่างกายอยู่ แต่หากเป็นผู้ประพฤทิอยู่ในสุจริตเป็นผู้สงบฝึกตนได้ดีแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อมักทั้งสี่พระพุทธองค์อาจารย์และทิ้งอาจยาในสัตว์ทั้งกวงผู้เช่นนั้นจะเรียกว่าพรามก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้ที่สุด ก, ก็ได้ เจ็ดวันออกจากชาแล้วตรวจดูที่พิกขาจานเพื่อโปรดคนทิน่ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยอันงามของหญิงรักษาไร่ข้าวสารีคนหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดโรงข้าวสารีทำข้าวตอกอยู่ทราบด้วยญานของท่านว่าหญิงนั้นมีศรัทธามีใจกล้าในการทาบุญเมื่อทาบุญแล้วจะได้สมบัติมาก ะตกลงใจที่จะไปที่นาข้าวสาลีของหญิงนั้นเธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนให้หยุดเอาเข้าวตอกมาเกลี่ยลงในบาตแล้วไหว้ด้วยเป็นจางข้าปรดิษฐ์ตั้งความปรารถนาว่าขอที่ฉันพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วความปรารถนาของเธอนั้นหมายความว่า ขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วบ้างฝ่ายพระมาหากัสสะได้อนุโมทนาว่าขอความปรากถนาเช่นนั้นจนสำเร็จเถิดนางได้ไว่าพระเถระแล้วเดินกาับมูพิษตัวหนึ่งกัดนางถึงตายที่คนา น, นั่นเองเธอมีจิตเรื่อมใสทํากาณะแล้ว เกิดในวิมานทองในภพดาวริงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนางได้ไับผ้าทิพย์ผืนหนึ่งผมผืนหนึ่งมีนางเทพอักษรจำนวนพันแม่ล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคำสิ่งเต็มด้วยข้าวตอบย้อยระยา นามได้ไพจนว่าสมบัติเห็นปานนี้เราได้เพราะอะไรหนาอ๋อหรือเพราะถวายข้าวต่อแด่พระมหากระสปะกลังเอาละ่ะเราได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อยเราไม่ควรประมาทควรจะไปทาการบํารุงพระเถระทําสมบัติให้ถาวรคิดอยงนี้แล้ว นางถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทขยะมงลฝอ ย, ยทำด้วยทองคำไปกว่าบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ำฉันน้ำไว้แต่เช้าตรู่พระเถระเห็นทุกอย่างอยในสภาพเรียบร้อยเข้าใจว่าคงจะเป็นพิสุนุ่มหรือสามเณรบางรูปเข้ามาทำไว้ให้ในวันที่สองก็เหมือนกันแต่พอวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนาง เห็นแสงสว่างแห่งสรีระชายเข้าไปในช่องลูกตาจึงเปิดประตูออกมาแล้วกล่าวาออว่าเออใครนั่นกวาดบริเวณอยู่ข้าพเจ้าคือลาชาเทวทิดาอุปทายิกาของท่านอุปทายิกาเออ่ออย่างนี้ของเราไม่มีนะ เรื่องดัชนั้นนาได้เล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ท่านได้ทราบเพราะเอ๋นะจะต่อไปว่าช่วยมาทําให้ทั้งเมรุวานซืนและวันนี้ด้วยใช่หรือไม่ใช่พระคุณเจ้าเออจงกอบไปเสื้อเถอะเทิดทิฎาที่ทำแล้วก็เป็นอันแล้วไปต่อไปอย่ามาทําอย่างนี้อีกละ่ะขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำกิจนี้ต่อไปเพื่อรักษาสมบัติของข้าพเจ้าให้มั่นคงหลีกไปเถอะเทปิดาอย่าได้มาทำอย่างนี้อีกเลยกลารกระทำของท่านในเหมาะแก่เราพระธรรมจัตถีรุ่นหลังจะตำห น, นิเราได้ว่าได้ยินว่าเทพิดานานหนึ่งมาปฏิบัติพระมาหากระสพยอยู่เป็นประจำมีการตั้งน้ําฉันน้ําใช้เป็นต้น เอเธอจงไปเสียเธออย่ามาที่นี้อีกเลยนางได้อ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่พระเถระก็หายอมไม่ในที่สุดท่านกล่าวว่านี่นางเจ้าแมยรู้ถึงความประมาณตนเสียเลย นางไม่อาจรังรออยู่อีกต่อไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศประคองอาญชลีร้องไห้ข้างทวนอยู่ว่าท่านเจ้าขาโปรดอย่าให้สมบัติที่ข้าพเจ้าได้แล้วต้องพินาศเสียเลยจงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทำกรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั้นเถอ ก้อนในลำดับนั้นพระาศาสดาประทัดนั่งอยู่ในคันทัศนูดีทรงสลับเสียงเทพธิดานั้นร้องไห้เรงแห่พระรัศมีไปประดุจประทักนั่งอยู่ตรงหน้านางพางได้ตรัสว่าความสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกษัตริย์บุตรของเราส่วนการทําบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญการทําบุญ เป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าถ้าบุคคลจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยเมื่อพระศาสดาเทศนาจบลงเทปิดาก็จะสำเร็จเป็นเสวดาปฏิผลในอากาศนั่นเองจะขอกล่าวถึงจริยาของ พระมหากะสะตากิจเล็กน้อยเพื่อปะกะติท่านเป็นผู้สํารวมระวังเค่งครัดมากได้ลดเว้นจากการกระทําอันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นและกระทํากิจอันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังด้วยมากแม่เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันหากท่านเฉยเสียก็ไม่มีความเศร้าหมองแก่ท่านเพราะว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์หมดจากกิเลสแล้วไข่ไข่ก็รู้ แต่ท่านเสียงว่าอนุชนเป็ประชิตยิ่้องหลังจะถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยอ้างว่าท่านพระมหาคสปะเป็นอุทาหอนว่าแม้ท่านพระมหาคสปะก็ยังมีแท้ทิดาและอุปถากบำรุงอัดกว่าเสนาสนะและตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ให้ฉนัยเล่าพวกเราจะมีสตรีไว้ปฏิบัติหน้าที่ชนันไั้งไม่ได้ดังนี้แล้วพากันมั่วสูุมยุสตรี มิสตรีอยู่ใกล้ชิดความด่างพร้อยแห่งศีลความวิบัติแห่งศีลก็จะเกิดขึ้นแก่พิสุเป็นอันมากปฏิปทาของพระมหากษัตริย์ในเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีแก่พระทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ซึ่งต้องอบรมกุลบุต เป็นอันมากควรเว้นจากการกระทำทุกอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่อนุชชลุ่นหลังต่อไปได้